ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิดกได้กล่าวแล้วว่าพระไตรปิฎกนั้นแบ่งออกเป็นวินัยปิดกสุตตันตปิดกและอภิธรรมปิดกโดยลําดับพระโบราณอาจารย์ปลายไทยได้ใช้วิธีย่อหัวข้อสําคัญในแต่ละปิดกเพื่อจําง่ายเป็นอักษรยอ่อในการใช้อักษรย่อนั้นวินัยปิดกมีห้าคำ สุดตันตาปิดกห้าคำอภิธรรมปิดกเจดคำดังต่อไปนี้วินัยปิดกอักษยรย่อในปิดกอื่นๆไม่มีปัญหาคงมีปัญหาเฉพาะวินัยปิดกคืออาปามะจุปะอาคืออาธิกรรมการกระทำที่เป็นต้นบัญญัติหมายเฉพาะรายการพระวินัยตั้งแต่อาบัติปาราชิก ลงมาถึงสังฆาทิเศษปาคือปาจิตตีเป็นชื่อของอาบัตในปาติโมกเฉพาะตั้งแต่ถัดสังฆาทิเศษลงมาทั้งสองหัวข้อนี้เป็นการย่ออย่างจับความมากกว่าย่อตามชื่อหมวดหมู่จึงไม่ตรงกับชื่อที่ใช้เป็นทางการในวินัยปิฎกส่วนอีกสามข้อท้ายตรงตามชื่อหมวดหมู่ฉะนั้นถ้าจะจัดตามชื่อ จึงควรเป็นดังนี้หนึ่งมหาวิพังหรือภิกขุวิพังว่าด้วยศีลของภิกษุที่มาในปาติโมกคําว่าปาติโมก ค, คือศีลที่เป็นใหญ่เป็นสําคัญอันจะต้องสวดทบทวนในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน2ภิกษุณีวิพังว่าด้วยศีลของนางภิกษุณีสาม มะคือมหาวัคแปลว่าวัคใหญ่แบ่งออกเป็นคันธกะคือหมวดต่างๆสิบหมวด4จุคือจุลวัคแปลว่าวัคเล็กแบ่งออกเป็นคันธกะคือหมวดต่างๆ12บสองหมวด5ปะคือปริวาสหมายถึงหัวข้อเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นการย่อหัวข้อสรุปเนื้อความวินิจฉัยปัญหาในสี่เรื่องข้างต้นแต่ตามความเข้าใจของชาวอังกฤษที่ตั้งสมาคมบาลีปรกรณ์ขึ้นพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศอังกฤษเขาแบ่งวินัยปิฎกออกเป็นสามส่วนคือ 1. สุตตวิพังหมายรวมทั้งศีลของภิกษุและภิกษุณี 2. ขคันทะกะหมายรวมทั้งมหาวัคและจุลวัค 3. ปริวาลคือหัวข้อเบ็ะเล็ดปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในวินัยปิดกแต่ประการใดต้นฉบับก็ตรงกันเป็นแต่การเรียกชื่อหัวข้อหรือวิธีแบ่งหัวข้อต่างกันออกไปเท่านั้นในหนังสืออัทธกถาวินยัยสมันตปาสาธิกาภาคหนึ่งหน้า17พระอัทธกถาจารย์ จัดหัวข้อย่อวินัยปิฎกไว้ว่าชื่อว่าวินัยปิฎกคือปาติโมกสองได้แก่พิกขุปาติโมกพิกุณีปาติโมกวิพังสองได้แก่มหาวิพัง์หรือภิกขุวิพัง์กับภิกุณีวิพังคันธกะ22คือรวมทั้งในมหาวัตรและจุลวัรรและปริวานสิห เรื่องเหล่านี้คงเป็นปัญหาในการเรียกชื่อหมวดหมู่ตามเคยถ้ารู้ความหมายแล้วจะท่องจำหัวข้อย่อๆแบบไทยว่าอาปามะจุปะก็คงได้ประโยชน์เท่ากันอันหนึ่งท่านผู้อ่านจะเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่ออ่านถึงภาคสามอันว่าด้วยความย่อแห่งพระตรัยปิฎกเพราะจะได้เห็นหัวข้อที่แบ่งออกไปเป็นหมวดหมู่รองๆลงไปจากหมวดใหญ่อย่างชัดเจน สุดตันตะปิดกหัวข้อย่อแห่งสุดตันตะปิดกมีห้าคำคือทีมะสังอังขุดังต่อไปนี้หนึ่งทีคือทีข้านิกายแปลว่าหมวดยาวหมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดยาวไว้ส่วนหนึ่งไม่ปนกับพระสูตรประเภทอื่นในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นส4สูตร 2มะคือมัชฌิมานิกายแปลว่าหมวดปานกลางหมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดกลางไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไว้ส่วนหนึ่งในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบสองสูตรสสังคือสังยุตตนิกายแปลว่าหมวดประมวลคือประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่เช่น เรื่องพระมหากัสปะเรียกกัสปะสังยุตเรื่องอินรีหรือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเรียกอินซียาสังยุตเรื่องมรคคือข้อปฏิบัติเรียกมรคะสังยุตในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นเจ6 2ันสสูตรสำหรับการนับจำนวนสูตรนี้กล่าวตามหลักสูตรของอัทธกถา เพราะในสังยุตตนิกายและอังคุตระนิกายบางแห่งก็บอกชื่อสูตรบางแห่งก็ไม่บอกชื่อส่วนใหญ่ไม่บอกชื่อสูตร 4. อังคืออังคุตระนิกายแปลว่าหมวดยิ่งด้วยองค์คือจัดลำดับธรรมะไว้เป็นหมวดหมวดตามลำดับตัวเลขเช่นหมวดธรรมะข้อเดียวเรียกว่าเอกานิบาตหมวดธรรมะสองข้อ เรียกทุกการนิบาตหมวดธรรมะสามข้อเรียกติการนิบาตดังนี้เป็นต้นจนถึงหมวดธรรมะสิบข้อเรียกทัศกานิบาตหมวดธรรมะเกินสิบข้อเรียกอติเรกทัศกานิบาตในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น 9,557 ห้าอห้าสิบเจดสูตรหขุคือขุดทัศกนิกาย แปลว่าหมวดเล็กรวบรวมข้อธรรมะที่ไม่จัดเข้าในสี่หมวดข้างต้นมารวมไว้ในหมวดนี้ทั้งหมดเมื่อจะแบ่งโดยหัวข้อใหญ่ก็มีสิบ้าเรื่องคือหนึ่งขุท ธ, ธะปาทะแปลว่าบทสวดเล็กๆน้อยๆโดยมากเป็นบทสวดสั้นๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 2. ธรรมบทแปลว่าบทแห่งธรรมะ คือธรรมภาสิสสั้นๆประมาณสามร้อหัวข้อส่วนเรื่องพิสดารมีท้องเรื่องประกอบปรากฏในอัถกถา 3. อุทานแปล ว, ว่าคําที่เปล่งออกมาหมายถึงคําอุทานที่เป็นธรรมภาสิสมีท้องเรื่องประกอบเป็นเหตุปรารภในการเปล่งอุทานของพระพุทธเจ้า 4. อิ ต, ติวุตกะแปล ว, ว่า ข้อความที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นการอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความไว้อย่างนี้ไม่มีเรื่องประกอบมีแต่ที่ขึ้นต้นว่าข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสไว้อย่างนี้ห้าสุดตนิบาตแปลว่ารวมพระสูตรคือรวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดต่างๆไว้ด้วยกัน มีชื่อสูตรบอกกำกับไว้ 6. วิมานวัตถุแล้วว่าเรื่องของผู้ได้วิมานแสดงเหตุดีที่ให้ได้ผลดีตามคําบอกเล่าของผู้ได้ผลดีนั้นๆ 7. เปตวัตถุแล้วว่าเรื่องของเปรตหรือผู้ล่วงลับไปที่ทำกรรมชั่วไว้ 8. เทราคาถา พาสิต์ต่างๆของพระเทระผู้เป็นอรหันตสาวก 9. เเถรีคถาพาษิทธ์ต่างๆของพระเทรีผู้เป็นอรหันตสาวิกา10ชาดกแสดงพาสิท์ต่างๆเกี่ยวโยงกับคำสอนประเภทเล่านิทานซึ่งท้องเรื่องพิสดารมีในอัถกถ า, ถาเช่นเดียวกับธรรมบทสบอ นิเทศแบ่งออกเป็นมหานิเทศกับจุลนิเทศคือมหานิเทศเป็นคำอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตรวมิหสูตรส่วนจุลนิเทศเป็นคาอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตนิบาตว่าด้วยปัญหาของมานพสบหคนกับคัคควิสานสูตรกล่าวกันว่าเป็นภาษิตของพระสาวรีบุตรเถระเจ้า 12. ปฏิสัมพิทามักแปล ว, ว่าทางแห่งปัญญาอันแตกฉานเป็นคำอธิบายหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวกันว่าพระสารีบุตรเทระเจ้าได้กล่าวไว้ 13. อปาอปทานแปล ว, ว่าคำอ้างอิงเป็นประวัติส่วนตัวที่แต่ละท่านเล่าไว้ซึ่งอาจแบ่งได้ คือเป็นอดีตประวัติของพระพุทธเจ้าของพระเทระอรหันตสาวกของพระเทรีอรหันตสาวิกาส่วนที่เป็นประวัติการทำความดีของพระประเจ ก, กับพุทธเจ้านั้นมีคำอธิบายว่าเป็นพระพุทธภาษิตตรัสเล่าให้พระอนน์ฟัง 14. พุทธวังสะแปล ว, ว่าวงของพระพุทธเจ้า หลักการใหญ่เป็นการแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต24องค์รวมทั้งของพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงรวมเป็น25องค์นอกจากนั้นมีเรื่องเบตเตเลดแทรกเล็กน้อย 15. จริยาปิดกแปลว่าคำพีแสดงจริยาคือการบำเพ็ญบารมีต่างๆของพระพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งหลักใหญ่ออกเป็นทานคือการให้ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยและเนคขมมะคือการออกบวชข้อสังเกตท้ายสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกซึ่งแบ่งออกเป็นห้านิกายดังกล่าวมาแล้วคือทีฆานิกายจนถึงกุธากานิกายนั้นบางครั้งพระอัฏฐกถาจารย์ กล่าวว่าห้านิกายนี่แหละจะเรียกว่าประมวลได้ครบทั้งสามปิดกก็ได้คือถือว่านอกจากพระพุทธวจนะที่อยู่ในสีนิกายข้างต้นแล้วพระพุทธวจนะที่เหลือจัดเข้าในขุตกานิกายคือหมวดเบตเตอเล็ดทั้งหมดคือทั้งวินัยปิดกและอภิธรรมปิดกจัดเข้าในขุตกานิกายทั้งสิน้นคําว่านิกายนี้ในที่นี้บางแห่งใช้คําว่าอาคมแทน รระไตรปิฎกฝ่ายเทรวาดที่ปรากฏแปลในฉบับจีนชาวจีนใช้คำว่าอาคมหมายรวมแทนพระไตรปิฎกของฝ่ายเทรวาดอภิธรรมปิฎกหัวข้อย่อแห่งอภิธรรมปิฎกมีเจ็ดคำคือสังวิทาปุกกะยะปะดังต่อไปนี้ สังคือสังคณีว่าด้วยการรวมหมู่ธรรมะคือธรรมะแม้จะมีมากเท่าไหร่ก็อาจรวมหรือจัดเป็นประเภทประเภทได้เพียงไม่เกินสามอย่าง 2. วิคือวิพังว่าด้วยการแยกธรรมะออกเป็นข้อข้ อ, ขอเช่นเป็นขันห้าเป็นต้นทั้งสังคณีและวิพังนี้เทียบด้วยคาว่าสังเคราะ หรือเซนธิสิตและวิเคราะห์หรืออนะลิซิสในวิทยาศาสตร์เป็นแต่เนื้อหาในทางศาสนากับทางวิทยาศาสตร์มุ่งไปคนละทางคงลงกันได้ในหลักการว่าควรเรียนรู้ทั้งในทางรวมกลุ่มและแยกกลุ่มเช่นรถคันหนึ่งควรรู้ทั้งการประกอบเข้าเป็นคันรถและการแยกส่วนต่างๆออกฉชนั้น 3. ทา ในที่นี้คือถ่าถงสาราะนะครับคือธาตุถาว่าด้วยธาตุคือธรรมะทุกอย่างอาจจัดเป็นประเภทได้โดยธาตุอย่างไร 4. ปุคือปุคลบัญญัติว่าด้วยบัญญัติหประการเช่นบัญญัติขันบัญญัติอายตนะจนถึงบัญญัติเรื่องบุคคลพร้อมทั้งแจกรายละเอียดเรื่องบัญญัติบุคคลต่างๆออกไป หกะคือกถาวัตถุว่าด้วยคำถามคำตอบหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาพระอัฏฐกะถาจาร์กล่าวว่าเป็นคำถามห้าร้อยคำตาบห้าร้อยแต่ตัวเลขห้าร้อยนี้อาจหมายเพียงว่าหลายร้อยเพราะเท่าที่นับกันดูแล้วได้คำถามคำตอบอย่างละสอง้อสิข้อหมายเหตุผู้อ่าน อาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้นะครับหน่วยต่างๆที่อธิบายในพระไตรปิฎกบางทีก็เป็นแค่ํำนวนแขกนะครับที่หมายถึงว่าเยอะมากไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีห้าร้อยจริงๆเช่นห้าร้อยชาติอาจจะมีแค่สองสาชาติหรืออาจจะเป็นแสนชาติเปรียบเทียบคล้ายภาษาไทยที่เราเข้าใจกันนะครับเช่นโจรห้าร้อยไม่ได้หมายถึงมีโจรห้าร้อยคน 6. ยะคือยมกว่าด้วยธรรมะเป็นคู่คู่บางทีการจัดคู่ก็มีลักษณะเป็นตักกะวิทยาซึ่งจะได้กล่าวถึงในภาคสามย่อความแห่งพระตรัยปิดกเจปะคือปัจฐานว่าด้วยปัจใจคือสิ่งสนับสนุนยี่สิบประการ เป็นอันว่าหัวใจย่อดแห่งพระตรัยปิดกคืออาปามะจุปาทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะมีรายละเอียดดังกล่าวมานี้